พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบสองลำดับที่ยี่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส1บอดพฤษภาคม2556น้าหณวัดผาน้ำจันมีชื่อเรื่องว่าอย่าทำกรรมชั่วเสียเลยดีกว่า การตายการจากไปของหลวงพอ่อของพวกเฮาเพิ่นจากไปแต่ร่างกายของเพิน่นแต่ความเมตตาหรือว่าความรู้หรือว่าท่ามขามสอนของเพิ่นเนี่ยเพิ่นได้สอนเอาไวนาไา้น่อย่าไปห่างเหิน อ, นอย่าไปปล่อยปะลาเลยเพิ่นสอนเอียงไว้ให้คิดดีเน้อทําดีเน้อพูดดีเน้อลูกหลานาเน้อ หลวงพ่อปุญจันทร์เพิ่นต้องสอนลูกทิศลูกหาของเพิ่นพวกเฮาท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะทัดท่าญาติโยมทั้งหลายเนอให้ปฏิบัติตามถ้ำขสอนของเพิ่นถ้าจะว่าไปแล้วก็เพิ่นจากไปอย่างพวกเล่าได้รู้ได้เห็นการมรณภาพจังสี่มดโมเมนเพิ่นสิไป ตกตำโบแมนได้อันนี้มันเป็นกรรมเก่าของเพิ่นในอดีตชาติผู้ใดมองบ่เห็นอย่างที่หลวงพ่อได้บอกเมือเศ้านี่คือกันรักรรมค่ำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นว่ากรรมคือการกระทาทํำดีได้ดีท่ำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าเพิ่นไปนั่งพ่อวนาอยู่วันเดือนหกแผ่นเพิ่นได้ตัดสู่ เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อเพิ่นในตัตสรูเมื่อเดือบันเดือหกเพ่นเพิ่นนั่งพาวหน้าตอนหัวคําตอนเถื่อที่แหลกตอนยับหวท่านมืดเพิ่นเย็ใจของเพิ่นเขาสู่ความสงบพระไถยของเพิ่นใจของเพิ่นความรู้ของเพิ่นรวมสงบนิ่งในเมื่อจิตใจร่วมสงบแล้วเพิ่นเกิดญารรณทัศนะขึ้นมาเกิดชาติข้นมาเทว่า ปุเพเนวาสานุสติญาณเมื่อเกิดญาณนอะาชจรรย์เพิ่นระลึกชาติผลหลังชาติที่แล้วพื่กันครับเนี่ยเขามานั่งอยู่นี่พวกเขานั่งอยู่นี่มานั่งอยู่นี่เนี่ยเข้ามาจากใส่แล้วก็ไล่ไปแล้วบะเนี่ยมือหนี่เข้ามาจากใส่แล้วมือเส้นเขาอยู่ใส่มือคลืนเขาอยู่ใส่มือว่านเขาอยู่ใส่ มือกรอนห้าอยู่ใส่ไล่ไปเรื่อยอาทิตย์กรอนเดือนก่อนปีกรอนชาติกรอนวะเนี่ไล่ไปเรื่อยคือกันกับเสศษมึกที่ห้องเขียนประ ก, กาน่ยไล่ไปเรืเอ่อยพ้นก็ะหูจักเป็นหลอยเป็นพ่านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาตใช่ไหมอันนี้เลย ว, ว่าปุเพเนวาสานุสติยานรละลึกชาติผนหลังใดสรุปแล้วก็คือว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ตายแล้วบบศูนย์นี่ให้เห่าคืดไหวตายแล้วโบศูนย์ตายแล้วเกิดอีกขั้นตายแล 0, ้วศูนย์จิรลึกชาติคนหลังใดจังไหนเหาเกิดมามือนีเมืองเดียวสิมีเมือว่านได้จังไหนอันนี้สิมีเมือว่านเพราะว่าเหาเกิดมาหลายพบหลายชาติเพราะนั้นหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกยืนหยันไปจังสั่นเลยตายแล้วโบศูนย์เนาะ นี่แหละหลมพ่อเคยยาจุดนี้ไว้อยู่เสมอเพราะเหตุใดเพราะว่าพวกเข้าถ้ำสางคุณงามความดีจะรักษาศีลไหวพระสวดมนต์นางภาวนาถ้ำคุณงามความดียังก็ตามข้านหากว่าคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยมันผมมีความมันบมมีแก่จิตแกใจที่จะสางคุณงามความดีเลยเพราะเหตุใดเฮ็ดไปยังเฮ็ดไปแล้วก็บรรไดยอย่งตายแล้วศูนย์นี่แหละ แต่ลักถ้ำามสอนของพระพุทธเจ้าบ่อสูญไผยว่าไผว่าตายแล้วสูญเอาอย่างมาเบอกว่าตายแล้วสูญคืดวางสันเตอ่ะคันว่าคืดวามันเป็นอย่งความคืดวานกันล่องๆจะคืดซื้อเลขกมึงเนาะเออคิดว่าสิเลขกจะออกมาอ่ะมันพิษจนเจด้ขายหน้าพราแห้งมดเกลนจนพราะแห้งเนาะกันบอกมันถือข้อแนวเจ้าคิดว่ามันแมนแมนกับทแมนจังเจ้าเว้าทุกข์ขำมันบ่อแมนได้บางขำ มันต้องมีเหตุมีผลของเพื่อต่างหากแต่พระโพธเจ้าเนี่เพื่อนยืนยันบอกว่าตายแล้วบ่อศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นะขันยากษ์มูจักให้นั่งพาวนาวิธีนั่งพาวนานั่งจังไหนขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเขาออกอย่าให้จิตของเข้าใจขเขาเอาปุ่งฟงไปทางอื่นอายุกับล่มหายใจเขาออกเท่านั้นเมื่อใจขอเขาเข้าร่วมสงบลงเป็นหนึ่งจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนี่คนละอันกันแล้วก็ลํำลึกชาติพ้นหลังใดนี่แหละอันนี้ก็คือทําคํ า, าสอนของปกุติเจ้าที่เพินบอกไว้เพนกล่าวเอาไว้ เรียกว่าปุเพเนวาสานุตติยานพ่อถึงเทียงขึ้นเพล น, นางภาวนาจิตของเพินเขาสู่ความสงบอีกจูปะปะปะตูปปาตยานคือการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าโพนี่มาจากสมาเกิดมาหอดีแล้วชาตินี่เจ้าเฮ็ดอย่างแน่เกิดชาติหน้าเจ้าิบไปได้ดีได้หรือเจ้าจีตกนรกได้ พอเจ้าเฮ็ดกรรมบอดีเอาไว้ในชาตินี้แต่ชาติที่แล้วเจ้ามรเกิดนี่พ่อบุญตระนั่งผ้ามากแต่ว่ากาบบาปกรรมของเจ้าก็บีอยู่แต่ยังพระท่านให้ผลเพราะพระไตเจ้าเพิ่งมองเห็นมั้มองดูทรัพยสัตธ์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายบกคือกันกรรมคือการกระทําสมมติว่าหลวงพ่อบุญจันทร์เท่าคือกันเพิ่นมาประสบวัตฏเหตุีง ขัทนทาว่าพระพุทธเจ้าหรือพระหันเพื่นยังมีอยู่น่ยเพิ่นก็จะหูจักว่าเออเออท่านออบุญจันท์เนี่ยไปเหตุกรรมต้นนั้นไว้ในอดีตออมาพบนีชาตินี่เพิ่นก็ได้ใส่กรรมของเพิ่นเนี่ยเพราะเพิ่นได้ทาไว้แล้วอันนี้แต่ว่าบุญกุศลของเพิ่ น, เ, นเพิ่นได้สางไว้แล้วบอไปใส บุญกุศลกองคนจิตนั่มไปสู่สวรรค์สั่นพร่มของเพินเพาลนอย่างพโมกขล่าเั่นสิโจนหารอยขาเพิลนนี่ทั้งที่เพิลนเป็นอัครสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ถือขาตายคนทั้งหลายก็โจดขานกันอย่างขนานนักเป็นอย่างพระโมคขาลา่าเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเห่อเหินเดินฝ่านในอีกทางหากดาดินบินบนใน อ, อกอีกทางหาก ข้ำคุณประโยชน์ให้แกเพระพุทธศาสนาเป็นที่ลู่ยักษของพุทธบริษัทสีทุกมูเหลาอีกต่างหากเป็นทีย่อมรับของบรรดาพระสาวกทุกทุกพระองค์เพราะเป็นอัครสาวกกลางทรายพระพุทธเจ้าก็คือเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาแต่ส่วนพระสารีบุตรเนี่เป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าพระโมคขลราเนี่เป็นมือซ้ายและเป็นแขนซ้ายของพระพุทธเจ้า แต่มาถึกโจรข่าววนาจะเป็นไปได้เป็นอย่างวนาจะขึ้นวนาจะเป็นไปได้พระสงฆ์ทางหลายชัดท่าญาติง่มทางหลายพุทธบริษัททั้งหลายสนเทกันอย่างมากเป็นอย่างนีงเป็นอั่งสี่ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อดีตอนาคตคือแล้วเพอดี โมคะลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตายเพราะเขตกรรมอันใดของพระเจ้าขาดพระโมคะลาตายเพราะโจนขาดพระพุทธเจ้าบันวัในอดีตชาติพระโมคคลาลูกชายผู้เดียวของพ่อแม่บาดแล้วพ่อแม่นี่ต่อม่าตาบอดทั้งคู่ ตาบอดทั้งคู่แลยก็ลูกใช่เนี่กิเป็นผูเเเ้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทั้งตักนา้าทั้งตามเขาทั้งหนึ่งเขาเปาไฟแม่นมัด เ, เป็นผู้มีความกระตันยู่เป็นผู้ดูแลพ่อแม่ตาบอดทั้งคู่พ่อแม่ก็เลยบอกว่าเออพ่อใหญ่คือว่าเป็นนมแหละเป็นนมหมกคล่าแหละลูกเอ้ ลูกจิตทำงานทังบานทั้ ง, งเอ่อทั้งหนึ่งเขาเป่าไฟพอมทั้งตักน้ำทั้งทั้งไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพอมบอกไว้แล้วลูกหาขู่ข้องหยซยช้านอะเอาแต่งงานทะนะเอ่อทางหมฆะลา่ากันว่าผมอยู่ปู่ดเดียวก็ได้ดอกแม่พอว่าไปยังบอควรจะควรจะมีนะลูกพอแม่ก็เลยไปเบอกกับพีน่นองตระกูลไก่เคี่ยงกัน ก็เลยไปขอได้สาวมากบานดนีก็เลยแต่งงาน อ, อยู่กับโมฆะลาต่อมากนี่ยโมฆะลาในกูข้องบาดนีบัได้ค้น บ, น, คนบดีราบบัดเนีภูเมียนี่ยบัดแล้วก็พ่อมาอยู่ร่วกันไม่ไม่ก็ดีพ่อต่อมาบาดนี้หาเรื่องใส่แม่ผัวพอผัวเฉี่ยถูกสะพ้ยพุ่น แอบประโมหคล่ากับไปเฮ็ดให้เฮ็ดน้ากับมาคำค อ, นะอมากขนาดน่ะต่อมาก็ดีต่อมาภูเมียนี่กัหาเรื่องใส่แล้วบ้านแอบค่อยๆว่าเอาเข่าเอาหน้าไปกินกะผมค้นตาบอดผคนโพถือกันมือหนึ่งประโมหคล่ามาหอดบ้านเมย์เอยภูเมียนี่ยกัดสาดเข่าต้มสาดหม้อแกงสาดมันั้งเต็มบ้าน เอกามก็เลยมาฟ้องผัวไปนี่แหละพอเจ้าเนี่ยแม่เจ้านี่เป็นทังสี่แหละแต่ละมือเนี่ยคอยเดินล่างบ้านล่างเพื่อนป้อจักแล้วจักเลอะเออแต่กอดถึงคอยล่างไหวแต่ขมือเนี่ยคอยให้เจ้าเห็นพอแม่เจ้าปานนี่แหละพโมคล่าดเลือดขึ้นหนาบักใหญ่เลื่อนนไปพอถืกเมี่ยงยู่เด้ โมโหกินยางแรงเล้วออกไปโอ้ยก็เป็นแบบมีคาทิมแบบยางเดียวประเันเดะพระโมคคลาะวะเออกขบ่ได้คิดได้สือไปสอบได้สวนเนี่ยพวกท่านพวกเข้าทั้งหลายฟังเอาไว้นะสิ่งมูลเฮ็ดอย่างยาหูเบาเฮ็ดอย่างห้กันกองไตรตองด้วยเหตุผลให้รอบคอบอย่าไปถือกลุกยุอันนี้พระโมคคลลถือกลุกยุได้เดี๋ยวทยางขนาดหนัก ไอ้เป็นจะนี่ขาถทีมย่างเดียวปนวาเดชจะเป็นไผก็เถอะขามหลดปนว่าเอาไปมากก็เลยผอไปบอกกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่นี่สิไปเยี่ยมพี่น้องบ่ไปเยี่ยมพี่น้องบ้า น, นจะไปเข้าอยู่บ้านนี่จังอยู่เข้าอยู่บ้านมักเล่าสิจไปเยี่ยมบ้านพี่น้องนํำสมบ่ ทางภูมอเมอ้ยก็ไปแล้วอยากไปอยู่อยากไปเยี่ยมเขาอยู่พี่นองเอาป่ะผมจะพาไปที่แท้จะเอาไปขาได้ป่ะนี่พ่อไปกับสมัย ก, กย่อนก็าบอมีรถยนกังคู่มือเนี่เอาไปถือไส่ล่อกเกวียนเกวีย น, นย่จากนั้นก็ขึ้นเกวียนแล้วบัตรพอมอมเอาพ่อแม่ขึ้นเกวียนประโมกขร่ากั น, นั่งเกวียนไปแล้วพ่อไปไปไปไ ป, ไปก็ไปหอดเนี่ยแถวนี่แหละแถวบัณ หน้าค่ำคนนี้เราไปไกลจากบ้านพอ่อจุงควรเขาดงงว่าเด๊ะบ้า น, นัยก่อนเป็นดงดเดทางเดินพ่อไปหอดนะโมคลาเออพ่อเออเอ า, เอ า, เอาง้วหล่อไปเนอะเดี๋ยวผมจะไปเขาป่าไปไทยสะกอนลักษณะจากนองนเราไปเ่พอเดี๋ก็เขาป้าพ่อเขาป้าที่ผู้พ่พอไรง่วไปตามทางนะพมจระจับเสือกแนะ็ตาบอดทั้งคูแลนะก็แม่ พ่อนี่ก็ไล่ไปไล่ไ ป, ลไปไปงวดแต่จงงวดจะพาไปเราไปเพระาะหมกคล่ากี่ตำลังไปมันไปพ่อไปสปักน้อยเท่านั้นแหละหมกข ล, ากลา่ากับุ่นไปรัดท้านาไปหอดก็ทาท่าเปลี่ยนเสียงไม่จนแล้วบ้าน่บเมนหมกคลาขึ้นเราเสียงหมกคลาโบเมทมันมไปแค่เป็นหมวกขล่าเป็นภาษาอีสานเปลี่ยนเป็นภาษาปุ่นภาษาแก้วโบภาษา ทา้งภาคกลางพุ่นขึ้นมาก้ายไอ้ตะแกะมึงไปยังไงมายังไ ง, นน เ, นไงเนี่ยวะเจ๊เน่แกครูเล่ห์มไปทั้งผู้พอนเอาหัวมึงมาทั ง, ทงพ่อกรบแมกโอ้ยโมกข่าล่าเลยหนีให้กลางห้างไก่ได้โจรเชื่อม้าป่นเอางัวลูกเล ย, ยสัญญาหมากไก่เด้อเจ๊นเน่แต่ว่าตำล่าหนึ่งตำล่าในพระไตรปิฎกเนี่ยแจ็กสิเมีนความใดม่นไป ขําหนึ่งบอกว่าพ่อผโมกคล่าได้เง่นว่าโมกขล่าไอ้นหนี้ะลู ก, กเองเท่านั้นล่ะปู่ขลาก็ได้ใจอ่อนก็เลยแต่เอาพอกับแม่กับมากบ่ได้ขาแต่ว่าตำล่าหนึ่งบอกว่าถึงพ่อแม่จะบอกจังสันะโมกคล่าก็บรรดาลโทษซะขาพอกับแม่ตายจากนั้นก็เอาฝังไว้ในขางทางและเอาง่วง ก็เปลี่ยนกับมาบานอันนี้สองตำราเลยแต่โรคพ่อหนึ่งมันว่าต้องได้ขาดน่ยจึงประโมคคัลล่าจึงได้รับกรรมถึงขนาดนี้ขั้นบอน่อขาดก็จะบอ่อบาปถึงขนาดนั้นคงจะบาปอยู่แต่ว่าก็เพิ่งจะบ่ถึงกับตัวเองถูกขาถึงขนาดนี้แต่ทั้งนี้ตับงสองตำาราเพิรนกกว่ า, นาหนึ่ง ต, ตำราหนึ่งบ่ได้ขาดแต่ตำราหนึ่งว่าอขา อันนี้ห่อขอบงจักเนี่ยนา ม, มาในพระไตรปิฎกทั้งทั้งสองตำราแต่ทอนี้เมื่อพระโมคกคาลากลับมาบ้านแล้วกันเน่ยอยู่กับขอบรั่วต่อมากันน่ตั้งแต่ตายจากชาตินั้นมาแล้วพรพโมคกคาลาก็ถือขามาตลอดเกิดมาจะาได้กับขามาตลอด เพราะว่าถูกขาพ่อขาแม่นี่ยว่าบาปนักไดียวอนันตรีกรรมฆ่ามาตุคาดฆ่ามารดาปิดตุขาดฆ่ามารด า, า, ด า, า, ดาอารหันตะคาดฆ่าพระหันโลหิตตุบาตททำลายยังพระโลหิตให้หอก็ยังประเทวทัตขึ้นไปอยู่บนผู้เขาเก่งก่อนหินมาทับพระพุทธเจ้าและก็สังฆเพทยุย่งสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายเขาว่าสงคำนี้เนี่ยบอแมนที่สง สี่องค์สก่อนแตกกันโมเมนเด้ใครเข้าวัพระภิกษุสององค์เข้าไปยุให้แตกกันนี่สิบาปกรรมเขาโมเมนหน่อยคือกันตกนรกอเวจีขึ้นกันในพระไตรปิฎกพวกเข้าในในเบอง์ในศึกษาเบอร์แล้วอันนี้เราว่า ส, สังฆเพทจุยงสงให้แตกกันเนี่ยว่าอนั่นรเรียกรรมหายางบาปนักแต่โมฆราชนี่ขาทั้งพอขาทั้งแม่กันออกไปโมเมนขาผู้เดียวถ้าขาพออมขาแม่ผอเนี เออบิ่นสองเล่ยวันไปนี่แหละพระโมกขลาาจึงได้ถูกขา่าถึงเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยั่งถือบาปกรรมตนยังตามสนองแต่หลวงพอบุญจันทร์เฮานี่เออเพิน่นจะทำจริงใดว้เฮากะบอสามารถที่จะรับหูรับสาบใดแต่ว่าถึงยังใดพบนิชาตินี่เพิ่นก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ เป็นที่เคารพของคณะสัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเพราะนั้นกอให้พวกเข้าคณะสัทา ย, ยาญติโยมทั้งหลายเมื่อได้ยิ่งใดฟังในพระไตรปิฎกในถ้ำขําสอนของพระพทุทธเจ้าหรือเรื่องของพระโมคคลาล่าแล้วให้พวกเข้าสํานึกเอาไว้วา่าสิ่งที่บอดีสิ่งที่มั่นชั่วกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มั่นเป็นบาปยาถ้ำเสลดีกว่า อย่างที่พระพุทธเจ้าเิ็นตรัสเป็นพระบาลีว่อาอกตังดุกตังเซยโยปัจชาตะปติทุกตังกรรมชั่วหรือความชั่วหรือสิ่งที่มันชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะเราทากรรมชั่วสิ่งที่ชั่วบาปกรรมที่ชั่วนั้นสิ่งที่ชั่วนั้นจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเข้เาเหตดจริงที่มันบดีไปแล้ว อย่งพโมกขล่าขาพ่อขาแม่ท่นน่ะเกิดพบนายชาตินาพโมกขล่าถือค้านตามไปเลยว่ามีทีสิ้นสุดจนถึงหาล้อยชาติเลยนะพโมกขล่าทวาเพิ่นบกพ้นเพรเป็นพระรหันธ์นะอาจจะต่อไปอีกเพราเหตุใดเพรเบิ่นสองเดขาพ่อก็บหาล้อยขาแม่ก็บหาล้อยม่นหมดละเป็นพันผู้ได้บ่ายอาจจะกว้านั่นอีกนะนี่แหละเป็นกรรมชั่วทั้งหลาย อย่าไปหาเหตุที่ดีกว่าให้สร้างแต่คุณง่ามความดีให้สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเฮาเมื่อคนมีบุญกุศลแล้วบุญกุศลจะเกือ้อกูลหนุนไปพบไรชาติไดก็จะมีแต่ความกล่มเย็นเป็นสุขเออให้เมื่อเอาบุญกุศลให้ผลขั้นบาปอากุศลให้ผลนี่นี่แหละทุกทุกอยากยากทุกทุกจนจน หลุมหดอนดอนไม่แต่เรื่องทุกเรื่องอยากท้งวัดพือใดเพาะกรรมเก่าให้ผลกรรมทําในชาตินี้ติดต่อไปไผ่ชาติหนาเพเดเลยพนั้นอ พ, พอให้พวกเขานะคณะท่าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะประกอบแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญสร้างกู้สนเขาสู้จิตเขาสู้ใจเกิดพบใดชาติใดเขาจะร่มเย็นเป็นทุกทวนหน า, าการเก่าว สังเวทที่ยักษคาถาเมื่อใดก็เห็นวาสงควรกับการเวลาข อ, อยุติไห่เพียงทัวนี้สกอเนินลูกหลานเนินมืออืน่นก็ให้พวกเข้าทันทั้งหลายมาร่วมกันทาบุญถวายท่านกับกูบาอาจารย์สัางบุญสัางกุศลทําบุญลอยวันลํำลึกถึงหลวงพ่อบุญจันทร์แล้วก็พร้อมการอุทิศส่วนกุศล ต่อผูมีประคุณสำหรับพวกเฮาแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพอ่อพุนจันทร์เพิ่นสางบุญบ ร, รมีของเพิ่นเพียงพ่อแล้วอะเพิ่นคงจะบวเอเอกจากบุญมีแต่เพิ่นจะให้พวกเฮานั่นแหะพวกเฮามาทําบุญในงานของเพิ่นเพิ่นก็มีแต่เออลูกหลานเอ้ยผู้ค า, าได้บาเพ็ญมากได้มาผูกหลานได้มาลาลึกถึงทําบุญคกับกบหล่อวันลอยวันครับ ผู้ขาเนี่ยบุญกุศลที่ผู้ขาได้สางสมมากกขอให้เป็นเครื่องเกือ้อกู ล, กลนหนุนลูกหลานเน่าให้จเจริญหลงเรื่องโดยอายุวัฒ น, นะสุขะภาละอลาปยศธจริะะเสริญสุกผู้ขากัดไ่้ถำ้ำกัมสิ่งที่มั่นบดีรัลล่ะจึงได้มาประสบอุบัติเหตุจังสิแต่เอาเถอะแต่บุญกุศลที่ผู้ขาได้ถ้ำห ม, มากมาไหมเน ีรักษาศีลภาวน า, ามาตลอดเราก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเพิ่นก็นจะไปสิทธิประสาทพ่อให้กับพวกเข้าด้วกันนั่นแหละเพราะว่าเพิ่น เ, เพิ่นมีชีวิตอยู่เพิ่นก็นยั่งเมตตาให้ศีลให้พ่อใกับสิทธิ์ญานุสิทธ์ทั้งหลายในเผื่อเพิ่นจากไปแล้วแต่ร่างกายเพิ่นจากไปแต่ใจของเพิ่ น, นยั่งอยู่ได้อใจของเพิ่ น, นยั่ง ความบริสุดหลุดผลและบุญบารมีของเพลินนี่ยยังมีปกคุ้มพวกเข้าทันทั้งหลายอยู่วันนั้นพวกเข้าทันทั้งหลายเนะี่อยากจะหูจับว่าตายแล้วเกิดหดืตายแล้วสู่ในานางภาวนาอย่างที่หลวงพ่อเบานะี่ยพอถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้าพ้นบอกไว้ชังสั้นเดชคันนางภาวนาจิตใจสงบร่วมปบปลงไปแล้วนะีจะหูได้ด้วยตนเองเลย ร่างกายของเข้านะี่คือกันกับรถเนี่ยจิตใจนามธรรมคือตัวผู้รู้รูอยู่เนี่คือกันกับค้นขับรถค้นขับรถกับรถพวกเข้าคือบุง่งสิโมเมนอันหนึ่งอันเดียวกันค้นขับรถกัคือใจรถนี่คือร่างกายรูปธรรมและนามธรรมเนี่ป็นแยกเหมือนกนเนี่รูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจ ตัวโพลุเนะ่ยคือน้าพมาถรมแต่พระถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไฮความสําคัญโซเฟอร์มากกว่าตัวรถบ้านแปลกขื้นกันเลยเออเป็นไฮความสําคัญโซเฟอร์นี่มากกว่ากว่ารถคนไปรถนี่เป็นล่องเป็นไฮความสําคัญว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแปลว่าทุกอย่างสำเร็จกับโซโฟเฟอร์แปลว่ากายร่างกายเนี่รถเนี่เป็นลูกน้องบริวารแต่ตัวสำคัญนะ่คือใจใจจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับศิลธรรมจะต้องได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทว่าใจดีแค่สัย่างเดียว ใจดีใจเป็นศิลใจเป็นธรรมใจพ่เตุใจมีผลใจมีเมตตาใจมีคุณธรรมใจเป็นพระโสดาพระสกทาข้าพระอนาข้าพระหันนั่นแหละเลิศประเสริฐสุดคันว่าใจของเฮาเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธลงโมโหโกธาสีทรงสิ่งที่สั่สาลามกอยู่ในจิตในใจมดโซเฟ อยู่ในโซฟเฟอร์มดนอไปกินเหล้าเบายาสซลาน่าลี่เอ๋สิ่งที่มันซัวสารละหมกเนะี่ยโซฟ์เฟอร์เฮ็มดมโซฟเฟอร์ซัวสุดจัวกนเออรถก็ซัวไปน้บมันไปเพราะขืนคับรถเหยียบซาเหยีบยบไส้เปิดบีบแก๊ส ด, ดา ต, ดตะพุทตะเพื่อมันไปเพราะอไรเพราะว่าโซฟเฟอร์บร่มีคุณธรรมบร่มีศีลธรรมบร่มีจริยธรรมแต่โซเฟอร์ดีบาดเน เอ่ออยังพระพุทธเจ้าเพิ่งก็โซเฟอร์ขึ้นกันนี่สันเลิศเลยสยามผู้ลูกแยงโลกเนี่าร่างกายของเพิ่นกะเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าบริษัทบริวารก็เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้ากุฏิกัพิกุฏิพระพุทธเจ้าบาทบริการเป็นของพระพุทธเจ้ามัดอันว่าพระพุทธต่อมากนียยังเพิ่นเป็นพระหรันเนี่ยพระโมกขราชสายบุตรเอ่ยยังของหลวงตามหาบัวขึ้กันหงปู่หมันนี่ยขึ้นกัน เพิ่นในสําเร็จเป็นพระรหันเนี่ยคุติสาลาเพิ่นก็เป็นของพระหันนะเพราะนั้นสรุปแล้ว ค, คือใจเป็นใหญ่อิริใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วดัวใจเพราะนั้นให้พวกเข้าท่านทั้งหลายเนาะลูกหลานทั้งหลายอบรมจิตใจเอาบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจแต่จิตใจของเขามิบุญมีกุศลแล้วไปเกิดพบไรชาตว์ได้ก็บว่าถูกบ่อจนมีแต่ความจเจริญรุงเรื่อง ลำรวยตลอดไปการพูดในมโนเนกเห็นมาสมควรกับการเวลาข อ, อยุติเพียงทนาน้นะลูกลานเนอะร์ทุกคนเนอะ